3.22. จุ 2. 2. นาทีทองของผู้ปฏิบัติและนาทีทองในสังสารวัตรวงเล็บเปิด 1. 12มกราคม2551ในวงเล็บสองวงเล็บปิดพอเราทำความสงบแล้วตอนถอยออกจากสมาธิตอนที่จิตเข้าถอนออกให้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยไม่ใช่ว่าตอนนั่งก็นั่งปฏิบัติหมดเวลาจิตถอยแล้วก็เลิกเลยอย่างนั้นเสียโอกาสนะ ในขณะที่จิตถอยออกจากสมาธิขณะนั้นเป็นนาทีทองของการปฏิบัติสําหรับคนที่เข้าสมาธิได้มันคล้ายๆเราเคลียโตข้างหน้าเราเนี่ยกวาดขยะเกลี้ยงเลยฝุ่นผงเล็กๆน้อยๆตกลงมาบนโต้เราก็จะเห็นจิตของเราขณะนั้นเราเก็บกวาดอะไรไปหมดแล้วมีอะไรเล็กน้อยแปลกปลอมเข้ามาก็จะเห็นง่ายฉะนั้นอย่าไปเลิกนะเพราใจถอยออกจากสมาธิรีบตามรู้ลงไปเลย สสัมมาสมาธิจิตจะอยู่กับอารมณ์อันเดียวเค้าเคลียร์อยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างมีความสุขไม่ขาดสติสงบก็สงบลงไปนิ่มๆ ร, มรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่หล่นวูบลืมตัวเองไปไม่ใช่เสร็จแล้วพอถอยออกจากสมาธิมารู้กายมารู้ใจโดยเฉพาะถ้าจิตถอยออกจากสมาธินะเป็นนาทีทองของผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติโดยเอาสมถะนําหน้าให้รู้ลงไปถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตเลยในขณะนั้นจิตตะกี้นี้มีปิติ ตอนนี้ไม่มีจิตตะกี้นี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีจิตตะกี้นี้เฉยๆตอนนี้ชักไม่เฉยแล้วดิ้นไปดิ้นมานี่เราจะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงหลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนบอกตรงนี้คือนาทีทองนะพวกเรารู้จักแต่นาทีทองที่จะไปซื้อของไปจับฉลากเราไม่รู้จักนาทีทองของการปฏิบัตินาทีทองของการปฏิบัติอยู่ตอนที่จิตถอยออกจากความสงบหรือตอนที่ตื่นนอน คนไหนทําฌานไม่ได้นะตอนที่ตื่นนอนมาปุ๊บนี่ให้รีบมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าต่อตานี่นาทีทองของการปฏิบัตินะส่วนนาทีทองของสังสารวัตคือขณะนี้แหละขณะที่เรามีโอกาสได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ฟังธรรมในสังสารวัตรที่ยาวนานนี่ในการที่จะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และได้ฟังธรรมนี้ยากที่สุดเลยยากมากนะ วันเวลาที่มีพระพุทธเจ้ามีศาสนาพุทธนี้สั้นมากยังสมัยของพระพุทธเจ้านะพระวิปัสสีพระสิขีพระเวสภูเพราท่านปรินิพานแล้วสาวกรุ่นที่ท่านสอนไว้หมดแล้วนี่ไม่มีการสืบต่อศาสนาแล้วขาดช่วงไปเลยอยู่ได้หนึ่งเจเนเรชั่นในวงเล็บช่วงอายุคนเท่านั้นเองแต่เจเนเรชั่นของท่านหลายหมื่นปีเจเนเรชั่นของเรายุคนี้เจเนเรชั่นจริงๆ30สิปีนะ ช่วงคนนะแต่ว่าอายุคนประมาณ75ปีพระพุทธเจ้าเราสอนจนถึงป่านนี้ 2,500 กว่าปีใช่ไหมหลายช่วงคนแล้วถือว่าเป็นาศาสนาที่ตั้งอยู่นานอย่าไปนึกเ่นาร 2,500 ปีสั้นนะเทียบกับอายุคนแล้วผ่านคนมาได้หลายรุ่นถือว่าอายุยืนนานทำไมาศาสนาของท่านตั้งอยู่ได้นานเพราะท่านบัญญัติพระธรรมวินัยเอาไว้มีคาสอนอะไรต่างๆมากมายพระพุทธเจ้าบางองค์ พระวิปสัสสีพระสิขีพระเวสภูท่านสอนนิดหน่อยเท่าที่จำเป็นไม่บัญญัติอะไรไว้เยอะท่านขวนขวายน้อยที่ขวนขวายน้อยเพราะอะไรเพราะท่านคงพิจารณาแล้วว่าเอาไปหมดแล้วที่เหลือนี่เศษเดนแล้วเอาไปไม่ได้ฝากไว้ให้คนรุ่นต่อไปค่อยเรียนนะโอกาสที่ได้เรียนธรร ม, มะมีไม่มากมีน้อยคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจไป